บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่1กรรม12กรรม12หรือกรสี่สามหมวดตามที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาและดีกาทั้งหลายมีหัวข้อและความหมายโดยย่อดังนี้หมวดที่หนึ่งว่าโดยปากากาะละคือจำแนกตามเวลาที่ให้ผลหนึ่ง ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันคือพบนี้ได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่กระทําในขณะแห่งชวนะจิตดวงแรกในบรรดาชาวนะจิตทั้งเจ็ดแห่งชวนะวิถีหนึ่งหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะเจตนาที่หนึ่งกรรมนี้ให้ผลเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาตินี้ก็กลายเป็นอโหสิกรรม ไม่มีผลต่อไปเหตุที่ให้ผลในชาตินี้เพราะเป็นเจตนาดวงแรกไม่ถูกกรรมอื่นครอบงำเป็นการปรุงแต่งแต่เริ่มต้นจึงมีกำลังแรงแต่ไม่ให้ผลต่อจากชาตินี้ไปอีกเพราะไม่ได้การเสบคุนจึงมีผลเล็กน้อยท่านเปรียบว่าเหมือนพรานเห็นเนื้อหยิบลูกศรยิงไปทันทีถ้าถูกเนื้อก็ล้มที่นั่นแต่ถ้าพลาดเนื้อก็รอดไปเลย 2. อ, อุปปัชชะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือในภพหน้าได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่กระทำในขณะแห่งชวนาจิตดวงสุดท้ายในบรรดาชาวนาจิตทั้ง7แห่งชวนาวิถีหนึ่งหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนาเจตนาที่7กรรมนี้ให้ผลเฉพาะในชาติถัดจากนี้ไปเท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้า ก็กลายเป็นอโหสิกรรมที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นเจตนาท้ายสุดของชวนาวิถีเป็นตัวให้สําเร็จความประสงค์และได้ความเสพขุนจากชาวนะเจตนาก่อนๆมาแล้วแต่ในเวลาเดียวกันก็มีกําลังจํากัดเพราะเป็นขณะจิตที่กําลังสิ้นสุดชวนาวิถี 3. อปรา ป, ร, ป ร, ริยเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในภพต่อๆไปได้แก่กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตามที่ทำในขณะแห่งชวนะจิต ท, ทั้งห้าในระหว่างคือในชวนะจิต ท, ที่สองถึงแห่งชวนะวิถีหนึ่งหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะเจตนาที่สองถึงที่6กกรรมนี้ให้ผลได้เรื่อยไปในอนาคตเมื่อเลยจากพบหน้าไปแล้วคือได้โอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นไม่เป็นอโหสิกรรมตราเท่าที่ยังอยู่ในสังสา ร, รวัฏ ท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อตามทันเมื่อใดก็กัดเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมกรรมเลิกให้ผลได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามซึ่งไม่ได้โอกาสที่จะให้ผลภายในเวลาที่จะออกผลได้เมื่อผ่านล่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไม่ให้ผลอีกต่อไปอโหสิกรรมนี้ความจริงเป็นคําสาหมันแปลว่ากรรมได้มีแล้ว แต่ท่านนำมาใช้เป็นคำศัพท์เฉพาะในความหมายว่ามีแต่กรรมเท่านั้นวิบากไม่มีไม่ใช่แปลว่าเลิกให้ผลหรือให้ผลเสร็จแล้วอย่างที่แปลแบบให้เข้าใจกันง่ายๆตามสำนวนที่เคยชินหมวดที่สองว่าโดยกิจคือจำแนกการให้ผลตามหน้าที่มีสี่ข้อนับเรียงจากหมวดแรกเป็นข้อที่ห้ชนะ ก, ะกรรมกรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวนําไปเกิดได้แก่กรรมคือเจตนาดีก็ตามชั่วก็ตามที่เป็นตัวทําให้เกิดขันที่เป็นวิบากทั้งในขณะที่ปฏิสนธิและในเวลาที่ชีวิตเป็นไปเวลาที่ชีวิตเป็นไปนี้มีศัพท์ว่าประวัติการ 6. อุปปัฏฐภมภกกรรมกรรมสนับสนุนได้แก่กรรมพวกเดียวกับชนะ ก, ะกรรม ซึ่งไม่สามารถให้เกิดวิบากเองแต่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนะ ก, กรรมทำให้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันซึ่งเป็นวิบากนั้นเป็นไปนาน7อุป ป, ปีลกกรรมกรรมบีบคั้นได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามกับชนะ ก, กรรมซึ่งให้ผลบีบคั้นผลแห่งชนะ ก, กรรมและอุปถรมปะกกรรมทำให้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันซึ่งเป็นวิบากนั้น ไม่เป็นไปนาน 8. อุปคาตะกะกรรมกรรมตัดรอนได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามที่มีกำลังแรงเข้าตัดรอนความสามารถของกรรมอื่นที่มีกำลังน้อยกว่าเสียห้ามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียวและเปิดช่องแก่วิบากของตนเช่นปิดตุคฆาตกรรมของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ตัดรอนกุศลกรรมของพระองค์เสียเป็นต้น หมวดที่3ว่าโดยปากรานะปริยายคือจำแนกตามแง่ที่ยักเยื้องกันคือลำดับความแรงในการให้ผลมีสี่ข้อนับเรียงจากหมวดแรกและหมวดที่สองเป็นข้อที่9กคารุกกรรมกรรมหนักได้แก่กรรมที่มีผลแรงมากในฝ่ายดีได้แก่สมาบัติ8ในฝ่ายชั่วได้แก่อันันตริยกรรมมีมาตุคาดเป็นต้น ย่อมให้ผลก่อนและครอบงำกรรมอื่นๆเสียเปรียบเหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลบ่ามาท่วมทับน้ำน้อยไปเศรษฐภูรกรรมหรืออาจินนกรรมกรรมทํามากหรือกรรมชินได้แก่กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประพฤติมากหรือทาบ่อยๆสั่งสมเคยชินเป็นนิสัยเช่นเป็นคนมีศีลดีหรือเป็นคนทุศีนเป็นต้น กรรมไหนทำบ่อยทำมากเคยชินมีกำลังกว่าก็ให้ผลได้ก่อนเหมือนนักมวยปล้าลงสู้กันคนไหนแข็งแรงเก่งกว่าก็ชะนะไปกรรมนี้ต่อเมื่อไม่มีครุกรรมจึงจะให้ผล 11. อาสนกรรมกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้าตายได้แก่กรรมที่กระทําหรือระลึกขึ้นมาในเวลา ใ, ลาใกล้จะตายจับใจอยู่ใหม่ ถ้าไม่มีคำสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนกครรมอื่ น, นเปรียบเหมือนโคแ อ, อัดอยู่ในคอกพอนายโคบานเปิดประตูออกโคได้อยู่ริมประตูคอกแม้เป็นโคแก่อ่อนแอก็ออกไปได้ก่อนแต่คำภีอภิธรรมมัทวิภาวินีว่าอาสันนกรรมให้ผลก่อนอาจินนกรรม12กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรม กรรมสักวะธรรมได้แก่กรรมที่ทำด้วยเจยตนาอันอ่อนหรือไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นอย่างนั้นโดยตรงเป็นกรรมที่เบาเปรียบเหมือนลูกศรที่คนบ้ายิงไปต่อเมื่อไม่มีกรรมสามข้อก่อนกรรมนี้จึงจะให้ผลคำพีอภิธรรมมัตสังกะหะแสดงกรรมสี่ไว้อีกหมวดหนึ่งรวมเป็นกรรมสหคือหมวดที่สี่ ว่าโดยปากัรฐานจำแนกตามสถานที่คือพบเป็นที่ให้ผลนับเรียงจากสามหมวดแรกเป็นข้อที่13อากุศลกรรมกรรมที่เป็นอากุศลยกเว้นอุทธัจจะหรือจำแนกโดยนัยะหนึ่งได้แก่อากุศลกรรมบทสิบย่อมให้กำเนิดในอบายภูมิ 14. กามาวจรกุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศลระดับกามาวจรเช่นที่จำแนกเป็นบุญญากิริยาวัตถุสิบย่อมให้กำเนิดในการมสุกติพบ 7, คือมนุษย์หนึ่งและสวรรค์หก5รูปาวจรกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับรูปาวจรคือรูปฌาน4หรือรูปฌานหของผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมให้กาเนิดในรูปภพสิบ อรูปาวจรกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับอรูปาวจรคืออรูปฌานสของผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมให้กำเนิดในอรูปภพคำพีอภิธรรมมัตสังคหานั้นเรียงละดับหมวดกรรมต่างจากนี้คือ1เท่ากับหมวด2 2เท่ากับหมวด3 3เท่ากับหมวดหนึ่งเท่ากับหมวด4คัคำพีวิสุทธิมรัคษ เรียงหนึ่งเท่ากับหมวด1 2เท่ากับหมวด3 3เท่ากับหมวด2คัมพีมโนรัฐปูรณีอธิบายเรื่องกรรม12นี้ไว้โดยพิสดารยิ่งกว่าที่อื่นๆแต่ท่านเรียกการจำแนกกรรมแบบนี้ว่าเป็นสุดตันติกะปริยายคือเป็นแนวทางนักพระสูตรและนับจำนวนว่าเป็นกรรม11โดยถือว่าอโหสิกรรมเป็นเพียงอาการที่กรรมต่างๆไม่ให้ผลเป็นเพียงคำที่ใช้อธิบายกรรมอื่นๆ แทกอยู่ในที่ต่างๆจึงไม่นับเป็นกรรมอย่างหนึ่งตัางหากนอกจากนั้นท่านกล่าวว่ากรรมโดยอภิธรรมปริยายคือแบบอภิธรรมมีจำนวน16ได้แก่กรรมที่จำแนกด้วยสมบัติ4และวิบัติ4ที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องการให้ผลของกรรมนอกจากนี้ยังมีอัตรกถาที่อธิบายกรรมชุดนี้ไว้ไม่ครบจานวนอีกสองสาแห่ง โดยเฉพาะคำพีปัญจสุนูนีอธิบายเฉพาะหมวดที่หนึ่งและเฉพาะหมวดที่สองรม12สองนี้เรียกได้ว่าเป็นมติของพระอัตถกตาจารย์โดยแท้แม้ว่าจะมีบางข้อที่ได้เข้าความเดิมจากพระบาลีคือพระไตรปิฎกกรรมบางข้อที่ว่านั้นได้แก่กรรมในหมวดแรกซึ่งจำแนกตามเวลาที่ให้ผลโดยเฉพาะสามข้อแรก ซึ่งมีต้นเขามาจากพระบาลีในนิเพธิกสูตรอังคุตรนิกายฉักกนิบาทดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นจะไหนเรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างคือทิตเตเวธรรมเเมในปัจจุบันอุป ป, ปัชเช ว, วาในที่ที่เกิด อะประเวาปริยาเยหรือในลำดับต่อต่อไปพิกษุทั้งหลายเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายมีสามประการดังนี้สามประการอะไรบ้างได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายกรรมที่ทำด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นสมุทัยกรรมที่กระทําด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยกรรมที่กระทําด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นสมุทัยย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของเขาบังเกิดกรรมนั้นให้ผลณที่ใดเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นณนะที่นั้นทิเทวะธรรมเม ในปัจจุบันอุปปัชเชวาหรือในที่ที่เกิดอะเปเรวาปริยาเยหรือในลำดับต่อต่อไปอัตถกถาซึ่งอธิบายบาลีแห่งนี้แหละคือแหล่งที่อธิบายเรื่องกรรมส2องอย่างพิสดารกว่าที่ใดอื่นดังได้เคยอ้างถึงแล้วข้างต้นในมหากรรมวิพังกสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันนา พระพุทธเจ้าทรงจำแนกบุคคลเป็นสี่ประเภทโดยสัมพันธ์กับการให้ผลของกรรมจับความได้ดังนี้บุคคลที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบอากุศลกรรมบทสิบเมื่อแต่กายภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเป็นทุกไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมา หรือไม่ก้อนในเวลาจะตายเขายึดถือมิจฉาทิฏฐิเข้าไว้เต็มที่การที่เขาประกอบอากุศลกรรมบทสิบนั้นเขาย่อมได้เสวยผลของมันทิฏฐิวะธรรมเมในปัจจุบันอุปปัชเชหรือในที่ที่เกิดอะปรวาปริยาเยหรือในลำดับต่อต่อไปบุคคลที่สองเป็นผู้ประกอบอากุศลกรรมบทส0 เมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมดีอันจะพึงเสวยผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเข้าไว้เต็มที่ส่วนการที่เขาประกอบอากุศลกรรมบท1สิไว้นั้นเขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลาดับต่ อ, ต, อต่อไป บุคคลที่สเป็นผู้ประกอบกุศลกรรมรบทสิบเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทางนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมดีอันจะพึงเสวยผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขไว้เต็มที่ส่วนการที่เขาประกอบกุศลกรรมรบทสิไว้นั้น เขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อต่อไปบุคคลที่สเป็นผู้ประกอบกุศลกรรมบทสิเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเป็นทุกไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมา หรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือมิจฉาทิฐิเข้าไว้เต็มที่ส่วนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบทสิบไว้นั้นเขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อต่ อ, ตอไปอัตถกถาที่อธิบายบาลีแห่งนี้คือคำพีปปัญจสสทนีไขความโดยใช้คำว่าทิฏฐธรรมเวทนยะอุปจจะเวทนิยะและ ปราปรยะเวทนิยะอย่างชัดเจนนอกจากนั้นจะเห็นเขาของอาสันกรรมคือกรรมที่ทำหรือระลึกในเวลาใกล้ตายอีกด้วยคำพีอปทานซึ่งเล่าประวัติในอดีตของพระสาวกทั้งหลายได้กล่าวถึงอาสันกรรมกระจายอยู่หลายแห่งเช่นประวัติอดีตชาติของพระเถระท่านหนึ่งว่าเคยเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งเห็นพระติสพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใสได้ถวายย่ากรรมหนึ่งเป็นที่รองนั่งแล้วมีจิตใจผ่องใสครั้นออกจากที่นั้นไปไม่นานก็ถูกราชสีกัดตายอาสันเนเมกตังกัมมังเพราะกรรมที่ทำไว้ใกล้ตายคือการที่ได้พบได้ถวายย่าและมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เกิดในสวรรค์จะเห็นได้ว่า ความคิดใส่ใจเกี่ยวกับกรรมใกล้ตายและการใช้คำว่าอาสั น, นะในแง่ของกรรมนี้ได้มีอยู่แล้วในยุค ข, ของคำพีอภทานทิฏฐธรรมเวทนิยมีกล่าวถึงในบาลีอีกบางแห่งโดยเฉพาะในเทวทหสูตรมัชิมนิกายอุปริปันธาตและโกทิตัสูตรอังคุตรนิกายนวกานิบาตแต่มาคู่กับสัมปรายะเวทนย ซึ่งพึงเสวยผลในเบื้องหน้าในชุดซึ่งมีสิบคำอีกแปดคำคือสุขเวทนิยะซึ่งพึงเสวยผลเป็นสุขหรือให้ผลเป็นสุขทุกขเวทนิยะซึ่งพึงเสวยผลเป็นทุกข์ปริปักกะเวทนิยะซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพที่พร้อมอยู่หรือถึงคราวแล้วอปริปักกะเวทนิยะซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพที่ยังไม่ถึงคราวพระหุเวทนยะ ซึ่งพึงเสวยผลมากอัปะเวทนิยะซึ่งพึงเสวยผลน้อยเวทนิยะซึ่งจะต้องเสวยผลอเวทนิยะซึ่งจะไม่ต้องเสวยผลคำว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมอุปัจจเวทนยกรรมและอปราปริยะเวทนยกรรมมีกล่าวไว้ชัดเจนคือเป็นรูปร่างบริบูรณ์ในคมภีร์กถาวัตถุ ที่พระโมคคลริบุติสเถระรจะนาขึ้นในสมัยสังายนาครั้งที่สามราวพุทธศักราช218ส่วนอโหาสิกรรมมีอยู่ชัดเจนก่อนแล้วในกัมพีปฏิสัมพิธามัสที่เคยอ้างแล้วและอัตถากถานับว่าเป็นกรรม12อีกชุดหนึ่งคือ 1. กรรมได้มีแล้ววิบากได้มีแล้ว 2. กรรมได้มีแล้ววิบากไม่ได้มี 3. กรรมได้มีแล้ววิบากกำลังมีอยู่ 4. กรรมได้มีแล้ววิบากไม่มีอยู่ 5. กรรมได้มีแล้ววิบากจากมี 6. กรรมได้มีแล้ววิบากจากไม่มี 7. กรรมมีอยู่ sin, วิบากมีอยู่ 8. ปกรรมมีอยู่วิบากไม่มี 9. ก้ารรมมีอยู่วิบากจากมี 10. กรรมมีอยู่วิบากจากไม่มี 11. กรรมก็จากมีวิบากก็จากมี 12. กรรมจากมีวิบากจากไม่มีอัทธกถาอธิบายกรรมสิบสองชุดนี้ตามแนวกรรมสิบสองชุดก่อนนั่นเองสาระสำคัญของกรรมชุดนี้คือแสดงกรรมที่มีผลและกรรมที่ไม่มีผลซึ่งมีฝ่ายละหกเท่ากัน เพิ่งสังเกตว่าอาโหสิกรรมก็คือคำแปลท่อนแรกในหลายข้อว่ากรรมได้มีแล้วส่วนกรรมอื่นนอกจากนี้เช่นครุกะและอาจินนะเป็นต้นเดิมเป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้ในความหมายสามัญยังไม่มีชื่อเรียกเป็นกรรมและยังไม่จัดเป็นประเภทมาปรากฏในสมัยอัจฉกถาดังกล่าวแล้วข้างต้น